ทิกวักหมวดว่าด้วยพระธรรมกถึกหนึ่งอวิชชาสูตรว่าด้วยอวิชชาร้อยสิบสามเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับนั่งนทที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ตรัสว่าอาวิชชา อวิชาอาวิชาเป็นอย่างไรและด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอบุคคลจึงเป็นผู้ตกอยู่ในอวิชาพระผู้มีพระภาคตอบว่าภิกษุปุทุชนในโลกนี้ผู้ไม่ได้สดับไม่รู้ชัดรูปไม่รู้ชัดความเกิดแห่งรูปไม่รู้ชัดความดับแห่งรูปไม่รู้ชัดปฏิปทาให้ถึงความดับแห่งรูปไม่รู้ชัด เวทนาไม่รู้ชัดสัญญาไม่รู้ชัดสังขารไม่รู้ชัดวิญญาณไม่รู้ชัดความเกิดแห่งวิญญาณไม่รู้ชัดความดับแห่งวิญญาณไม่รู้ชัดปฏิปทาให้ถึงความดับแห่งวิญญาณภิกษุนี้เราเรียกว่าอาวิชชาและด้วยเหตุเพียงเท่านี้บุคคลจึงเป็นผู้ตกอยู่ในอวิชชาอาวิชชาสูตรที่หนึ่งจบ 2วิชาสูตรว่าด้วยวิชา1้อเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีภิกษุนั้นนั่งณนะที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่พระองค์ตรัสว่าวิชาวิชาวิชาเป็นอย่างไรและด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอบุคคลจึงเป็นผู้มีวิชา พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าภิกษุอริยาสาวกในธรรมวินัยนี้ผู้ได้สดับรู้ชัดรูปรู้ชัดความเกิดแห่งรูปรู้ชัดปฏิปทาให้ถึงความดับแห่งรูปเวทนาสัญญารู้ชัดสังขารรู้ชัดปฏิปทาให้ถึงความดับแห่งวิญญาณภิกษุนี้เราเรียกว่าวิชา และด้วยเหตุเพียงเท่านี้บุคคลจึงเป็นผู้มีวิชาวิชาสูตรที่สองจบสธรรมกะทิกสูตรว่าด้วยพระธรรมกะถึก 15. เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีภิกษุนั้นนั่งณที่สมควร ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่พระองค์ตรัสว่าภิกษุเป็นธรรมกรถึกภิกษุเป็นธรรมกถึกด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอภิกษุจึงเป็นพระธรรมกรถึกพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าภิกษุหากภิกษุแสดงธรรมเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อใครกำหนัดเพื่อดับลูก ควรเรียกได้ว่าภิกษุเป็นธรรมะกรถึกหากภิกษุเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อใครกำหนดเพื่อดับรูปควรเรียกได้ว่าภิกษุเป็นผู้ปฏิบัติสมควรแก่ธรรมหากภิกษุเป็นผู้หลุดพ้นเพราะความเบื่อหน่ายเพราะใครกำหนดเพราะดับไม่ถือมั่นรูปควรเรียกได้ว่าภิกษุเป็นผู้บรรลุนิพพานในปัจจุบัน หากภิกษุเวทนาหากภิกษุสัญญาหากพิกษุสังขารหากพิกษุแสดงธรรมเพื่อความเบื่อนายเพื่อใครกำหนัดเพื่อดับวิญญาณควรเรียกได้ว่าภิกษุเป็นธรรมกรถึกหากพิกษุเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความเบื่อนายเพื่อใครกำหนัดเพื่อดับวิญญาณควรเรียกได้ว่าภิกษุผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม หากภิกษุเป็นผู้หลุดพ้นเพราะความเบื่อหน่ายเพราะใครกำหนัดเพราะดับไม่ถือมั่นวิญญาณควรเรียกได้ว่าภิกษุเป็นผู้บรรลุนิพพานในปัจจุบันธรรมกะทิกสูตรที่สจบสี 4. ทุติยธรรมกะทิกสูตรว่าด้วยพระธรรมกะถึก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 ภิกษุจึงเป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมด้วยเหตุเพียงเท่าไรภิกษุจึงบรร ล, ลุนิพพานในปัจจุบันพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าภิกษุหากภิกษุแสดงธรรมเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อใครกำนัดเพื่อดับรูปควรเรียกได้ว่าภิกษุเป็นธรรมกะถึกหากภิกษุเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อใครกำนัดเพื่อดับรูป ควรเรียกได้ว่าภิกษุเป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมหากภิกษุเป็นผู้หลุดพ้นเพราะความเบื่อหน่ายเพราะใครกกำหนัดเพราะดับไม่ถือมั่นรูปควรเรียกได้ว่าภิกษุเป็นผู้บรร ล, ลุนิพพานในปัจจุบันหากภิกษุเวทนาหากภิกษุสัญญาหากภิกษุสังขารหากภิกษุแสดงธรรมเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อใครกําหนัด เพื่อดับวิญญาณควรเรียกได้ว่าภิกษุเป็นธรรมกตะถึกหากพิกษุเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อใครกําหนัดเพื่อดับวิญญาณควรเรียกได้ว่าภิกษุเป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมหากพิกษุเป็นผู้หลุดพ้นเพราะความเบื่อหน่ายเพราะใครกําหนัดเพราะดับไม่ถือมั่นวิญญาณควรเรียกได้ว่าภิกษุเป็นผู้บรรลุนิพพานในปัจจุบัน ทุติยธรรมิกะทิกาสูตรที่สจบ 5. พันธนสูตรว่าด้วยเรื่องพันธนาการ 117. เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายปุตชนในโลกนี้ผู้ไม่ได้สดับไม่ได้เห็นพระอริยะ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 มองไม่เห็นฝั่งนี้มองไม่เห็นฝั่งโน้นถูกจองจำจนแก่ถูกจองจำจนตายถูกจองจำจากโลกนี้จนถึงโลกหน้าพิจารณาเห็นสัญญาพิจารณาเห็นสังขารพิจารณาเห็นวิ ญ, ญญาณโดยความเป็นอัตตานี้เรียกว่าปุตชนผู้ไม่ได้สดับถูกเครื่องพัฒนาการคือวิญ ญ, ญาณจองจำไว้ ถูกเครื่องพันธนาการทั้งภายในและภายนอกจองจาไว้มองไม่เห็นฝั่งนี้มองไม่เห็นฝั่งโน้นถูกจองจำจนแก่ถูกจองจำจนตายถูกจองจำจากโลกนี้จนถึงโลกหน้าภิกษุทั้งหลายส่วนอริยสาวกผู้ได้สดับได้เห็นพระอริยะได้รับการแนะนำในธรรมของสัตตบรุษ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 ไม่ถูกเครื่องพันธนาการทั้งภายในภายนอกจองจำไว้มองเห็นฝั่งนี้มองเห็นฝั่งโน้นเรากล่าวว่าเธอพ้นแล้วจากทุกพันธนสูตรที่ห้าจบหปริปุฎจิตตสูตรว่าด้วยการสอบถาม1้อยสิบปด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 เธอทั้งหลายพึงเห็นวิญญาณนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่ใช่นั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้รู้ชัดว่าไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปปลิปุตชิตตสูตรที่หกจบ 7. ทุติยปริปุตชิตตสูตรว่าด้วยการสอบถามสูตรที่สอง1้เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรเธอทั้งหลายพิจารณาเห็นรูปว่านั่นไม่ใช่เราเราไม่เป็นนั่น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 นั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราหรือดีละพิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงเห็นวิญญาณ น, นั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่เราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราพิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับอยู่อย่างนี้รู้ชัดว่า ไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปทุติยะปริปุตชิ ต, ตาสูตรที่เจ็ดจบ 8. สัญโยชนิยสูตรว่าด้วยธรรมที่เกื้อกูลแก่สังโยช์ร้อยี่สิบเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า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 วิญญาณเป็นธรรมที่เกื้อกูลแก่สังโยชน์ชันธราคะในวิญญาณนั้นเป็นสังโยชน์พิษุทั้งหลายเหล่านี้เราเรียกว่าธรรมที่เกื้อกูลแก่สังโยชน์นีเรียกว่าสังโยชน์สังโยชนิยสูตรที่แปดจบ ปาทานิยสูตรว่าด้วยธรรมที่เกื้อกูลแก่อุปท า, าน1 2อเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงธรรมที่เกื้อกูลแก่อุปท า, านและอุปท า, านเธอทั้งหลายจงฟังธรรมที่เกื้อกูลแก่อุปท า, านเป็นอย่างไร อุปท า, านเป็นอย่างไรคือรูปเป็นธรรมที่เกื้อกูลแก่อุปท า, านฉันทราคะในรูปนั้นเป็นอุปทานเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นธรรมที่เกื้อกูลแก่อุปท า, านฉันทราคะในวิญญาณ น, นั้นเป็นอุปท า, านภิกษุทั้งหลายลาวนี้เราเรียกว่าธรรมที่เกื้อกูลแก่อุปท า, าน นี้เราเรียกว่าอุปทานอุปทานิยสูตรที่เก้าจบ 10. บสีลวันตสูตรว่าด้วยธรรมที่ภิกษุผู้มีศีลควรมนสิการโดยแย บ, บคาย 122. ยสมัยหนึ่งท่านพระสารีบุตรและท่านพระมหาโกธิตะ อยู่นับป่าอิสิปตปนะมารุคทยวันเขตกรุงพลาณสีครั้งนั้นท่านพระมหาโกธิตาออกจากที่หลี ก, กริ้นในเวลาเย็นเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่อยู่ได้ถามดังนี้ว่าท่านสารีบุตรทำเหล่าไหนที่ภิกษุผู้มีศีลควรมนสิการโดยแยกคายขอรับท่านพระสารีบุตรตอบว่า ท่นโกติตาอุปทานขันห้าประการอันภิกษุผู้มีศีลควรมานสิการโดยแยบคายโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดุดหัวฝีเป็นดุดลูกศรเป็นของลำบากเป็นอาพาธเป็นอย่างอื่นเป็นของสุดโทมเป็นของศูนเป็นอนัตตาอุปทานขันห้าประการอะไรบ้างคือ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 อุปทานขันห้าประการอันภิกษุผู้มีศีลควรมณนสิกานโดยแยกคายโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดุดหัวฝีเป็นดุดลูกสอนเป็นของลำบากอาพาธเป็นอย่างอื่นเป็นของสุดโทมเป็นของศูนย์เป็นอนัตตาเป็นไปได้ที่อุปทานขันห้าประการนี้อันภิกษุผู้มีศีลมนสิการโดยแยกคาย โดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนัตตาพึงทำให้แจ้งโสดาปฏิพนท่านสารีบุตรทำเหล่าไหนอันภิกษุผู้เป็นโสดาบันควรมนานสิการโดยแยบคายขอรับท่านโกติฏตาอุปทานขันห้าประการอันภิกษุแม้ผู้เป็นโสดาบันก็ควรมนานสิการโดยแยบคายโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนัตตา เป็นไปได้ที่ภิกษุผู้เป็นโสดาบันมณสิการอุปทานขันห้าประการนี้โดยแยกคายโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนัตตาพึงทำให้แจ้งสกทาคามิผลท่านสาริบุตรทำเหล่าไหนอันภิกษุผู้เป็นสกทาคามีควรมณสิการโดยแยกกายขอรับท่านโกติตาอุปทานขันห้าประการนี้ อันภิกษุแม้ผู้เป็นสกทาคามีก็ควรมนสิการโดยแยบคายโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนัตตาเป็นไปได้ที่ภิกษุผู้เป็นสกทาคามีมนสิการอุปทานขันห้าประการ น, นี้โดยแยบคายโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนัตตาพึงทำให้แจ้งอนาคามิผลท่านสาริบุตร ทำเหล่าไหนอันภิกษุผู้เป็นอนาคามีควรมานสิการโดยแยบคายขอรับท่านโกติตตะอุปทานขันห้าประการนี้อันภิกษุแม้ผู้เป็นอนาคามีก็ควรมนสิการโดยแยบคายโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนัตตาเป็นไปได้ที่ภิกษุผู้เป็นอนาคามีมานสิการอุปทานขันห้าประการนี้โดยแยบคายโดยความเป็นของไม่เที่ยง เป็นอนัตตาพึงทําให้แจ้งอรหัตตผลท่านสารีบุตรท่านสารีบุตรท่านสารีบุตรทำเหล่าไหนอันภิกษุผู้เป็นอรหันต์ควรมนสิการโดยแยบคายขอรับท่านโกติตาอุปทานขันห้าประการนี้อันภิกษุแม้ผู้เป็นอรหันต์ก็ควรมนสิการโดยแยบคายโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ เป็นโรคเป็นดุดหัวฝีเป็นดุดลูกศรเป็นของลำบากเป็นอาพาธเป็นอย่างอื่นเป็นของสุดโทมเป็นของศูนย์เป็นอนัตตาท่านโกติตากิจที่จะพึงทำให้ยิ่งขึ้นไปหรือการสั่งสมกิจที่ทำแล้วย่อมไม่มีแก่ภิษสุผู้เป็นอรหันต์อนหนึ่งทำเหล่านี้ที่พิษสุผู้เป็นอรหันต์เจริญทาให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่ออยู่เป็นสุขในปัจจุบันและเพื่อสติสัมปชัญญะสีละวันตสูตรที่สิบจบ 11. สุตตวันตสูตรว่าด้วยธรรมที่ภิกษุผู้ได้สดับควรมณสิการโดยแยบคาย 123. ยสมสมัยหนึ่ง ท่านพระสารีบุตรและท่านพระมหากติตะอยู่นป่าอิสิ ป, ปัตนามฤุกขทยวันเขตกรุงพาราณสีครั้งนั้นท่านพระมหากติตาออกจากที่หลีกเร้นในเวลาเย็นเขตกรุงพาราณสีเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่อยู่ได้ถามดังนี้ว่าท่านสารีบุตรทำเหล่าไหนอันภิกษุผู้ได้สดาบควรมณสิการโดยแยกคาย ขอรับท่านพระสารีบุตรตอบว่าท่านโกติตาอุปทานขันห้าประการอันภิกษุผู้ได้สดับควรมนสิการโดยแยบคายโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนัตตาอุปทานขันห้าประการอะไรบ้างคือหนึ่งรูปูปทานขันห้าวิญญาณูปทานอคัญท่านโกติตา อุปทานขันหประการนี้อันภิกษุผู้ได้สดับควรมณสิการโดยแยบคายโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนัตตาเป็นไปได้ที่ภิกษุผู้ได้สดับมณสิการอุปทานขันห้าประการนี้โดยแยบคายโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนัตตาพึงทาให้แจ้งโสดาปฏิผลท่านสาริบุตรทาเหล่าไหน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 โดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนัตตาพึงทําให้แจ้งสกทาขามิผลอนาคามิผลอรหัตตผลท่านสารีบุตรทำเหล่าไหนอันภิกษุผู้เป็นอรหันต์ควรมนานสิการโดยแยบคายขอรับท่านโกติตตะอุปทานขันห้าประการนี้อันภิกษุแม้ผู้เป็นอรหันต์ก็ควรมนานสิการโดยแยบคาย โดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดุดหัวฝีเป็นดุดลูกศรเป็นความคับแค้นเป็นอาพาธเป็นอย่างอื่นเป็นของสุดโทมเป็นของศูนย์เป็นอนัตตาท่านโกติตะกิจที่พึงจะทำให้ยิ่งขึ้นไปหรือการสั่งสมกิจที่ทำแล้วย่อมไม่มีแก่พิกสุผู้เป็นอรหันต์อหนึ่ง ทำเหล่านี้ที่ภิกษุผู้เป็นอรหันตเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่ออยู่เป็นสุขในปัจจุบันและเพื่อสติสัมปชัญญะสุตรตวันตสูตรที่ส1อจบ 12. กับปรสสูตรว่าด้วยพระกับประร้อยี่สี่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 ไกลหรือใกล้ก็ตามบุคคลเห็นวิญญาณทั้งหมดนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเรากับปะเมื่อบุคคลรู้เห็นอย่างนี้จึงจะไม่มีอาหางการ ม, ามังการและมานานุสยัยในกายที่มีวิญญาณนี้ และในนิมิตทั้งปวงในภายนอกกัปปสูตรที่สิบสองจบสิบสามทุติยา ก, กัปปสูตรว่าด้วยพระกัปปะสูตรที่สองรยหเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีท่านพระกัปปะนั่งณที่สมควร ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อบุคคลรู้เห็นอย่างไรใจจึงปราศจากอาหางการมะมมังการและมานานุสัยในกายที่มีวิญญาณ น, นี้และในนิมิตทั้งปวงในภายนอกก้าวล่วงมานะด้วยดีสงบระงับหลุดพ้นดีแล้ว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 นั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราเป็นผู้หลุดพ้นแล้วเพราะไม่ถือมั่นกับปะเมื่อบุคคลรู้เห็นอย่างนี้ใจจึงปราศจากอาหางการเมมังการและมานานุสัยในกายที่มีวิญญาณนี้และในนิมิต ท, ทั้งปวงในภายนอกก้าวล่วงมานะด้วยดี สงบระงับหลุดพ้นดีแล้วทุติยกับประสูรที่13จบธรรมกตถิกวักที่สองจบรวมพระสูตรที่มีในวร์นี้คือ 1. อวิชชาสูตร 2. วิชาสูตร 3. ธรรมกถิกสูตร 4. ทุติยธรรมกถิกสูตร 5. พันธนสูตร หปุริปุตชิตสูตร 7. ทุติยาปริปุตชิตสูตร8สัญโยชนิยสูตร 9. อุปทานิยสูตร 10. บศีลวัตตสูตร 11. สุตะวันตสูตร 12. กัปปสูตร13ทุติยกัปปะสูตร